ถ้าหากความตั้งใจของเราเกาะอยู่กับเสียงธรรมอินสติคมีสัมปัสชัญญยักตื่นโรเกาะเสียงอาเสียงธรรมเราก็เกาะไปแต่ถ้าหากไม่สนใจสนใจอารมณ์ที่เราตั้งเอาไว้พุทโธพุทโธพุทโธหรือลมหาใจเข้าพุทลมหาใจออกโทเราก็ตั้งใจภาวนาไปยังไงยังไงหูเราไม่ดับเราต้องได้ยินเหมือนกับเราทํางานอยู่กับบ้าน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 ออกมาให้เป็นที่ปรากฏกับมกับเพื่อนได้รับความละอายยันว่าความละอายนี้ช่วยให้ผลได้มรดกได้ผลมาแล้วยกตัวอย่างพระนันทะนี้พระนันทะตั้งใจภาวนาเพราะอยากได้น้ําฟ้าที่พระพุทเจ้าเอามาเป็นประการเพื่อนทั้งหลายซบชิดเอ้ะนันทะเมื่อก่อนภาวนาไม่ได้ หลังจากพระพุทธองค์พาไปดูนางฟ้าบนสวรรค์ทำไมนางทะตั้งใจภาวนาอีกบบีและเกินมาสาบานนางทะตั้งใจภาวนาเพราะอยากได้นางฟ้าเพื่อนคนนั้นก็ซุบชิบเพื่อนคนนี้ก็ซุบชิบโอ้อะไรเขาตั้งใจภาวนาเพื่อเอามากเอาผลตั้งใจภาวนาเพื่ออยากได้นางฟ้าคนนั้นก็ซุบชิบคนนี้ก็ซุบชิบนางทะรู้สึกละอายแก่ใจ มีความละอายแใ่ใจจะขอมากเอ๊ะทำไมเราถึงไม่เหมือนหมู่ตั้งใจภาวนาเข า, า, าอยากได้นางฟ้าอะไรก็ไม่รู้เภ า, านาตั้งใจอยากได้นางฟ้าพระพุทธเจ้าพาไปดูนางฟ้าบนสวรรค์เห็นแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นรู้สึกน้ําติ ป, ปกติใจมากนางพระติดรูปติดรูปจตรี แต่งงานสดๆร้อนๆกับนางชน บ, บทรกระยาดียังไม่ได้อยู่ด้วยกันยังไม่ได้ถูกต้องกันอะไรกันไปส่งพระพุทธเจา้ามีมนุษย์พุทธเจา้าไปฉันงานแต่งงานไปส่งพุทธเจา้าที่ทิโคร า, า, าราพุทธเจา้าให้นานทักษุอุ้มบาตตามนันท่านกโอ้ใจร้อนรอนจำเป็นจาใจต้องอุ้มบาตตามคิดอยู่ในใจว่า พระศาสดาหันหันหน้ามาเฉยเมยเมื่อไรจะมอบบาตถือและจะกลับจะมอบบาทถือแลจะกลัก บ, บลลพระพุทธเจ้าไม่หันกลับมามองมาดูนั่นพระอุ้มบาทตามไปจนถึงนิโครธาราพอไปถึงนิโครธาราพระพุทธเจ้าก็ถามนันทะนันทาเธอจะบวชหรือด้วยความเขารกยำเกรงในพี่ชายนคนละแม่ นั่น่านี่เป็นน้องชายของพระพุทธเจ้าคนรละแม่เป็นลูกของนางโคตรมีปุชาบดีโคตรมีกเลยครับฝากว่าเจ็ดบวชไปเจ้าค่ะหลังจากบวชแล้วไม่เป็นธรรภาวนาผู้เจ้าเลยพาอูบายวิธีผมเจ้าดูทะลุปรุกปรงหมดูทลุปรุกปร่งดเลยพาไปบรรดาให้เห็นนางลิงบรรดาให้เข็นเขียนเทวดาชั้นต่ำๆชั้นสูงขึ้นไปโดยลําดับโดยลําดับ จิตใจก็ถอนไปเรือยถอนไปเรื่อยถอนไปรเรืยจิตใจไม่คงที่เปลี่ยนไปรเรื่อยเปลี่ยนไปรเรื่อยเปลี่ยนไปรเรื่อยตอนหลังมาถึงมาตั้งใจภาวนาหมู่เพื่อนสุปซิตได้เกิดความละลายคือใจของนางขะถอนมาโดยลาดับที่แรกติดอยู่กันนนบนสนุบกเลยามีต่อมาเห็นนางลิงต่อมาเห็นเทวดาชันต่ำต่ำที่สุดมาจิตใจกับเทวดาชันต่ำต่ำตำแล้วยังไงก็ ต้องงากว่า น, นั้นขดกัลยาณ์หนึ่งไเห็นชั้นนูนขึ้นอีชั้นนูนขึ้นอีสูงขึ้นอีกสูงยิ่งมละเยี่ยงยิกว่านี้จิตไปชอบไม่มีหยุดอ่าเก็บอยู่ที่นาฟ้าพระพุทเจ้าก็เลยลอถ้าตั้งใจเผานาะเราจะเอาให้ต้องการไหมต้องการถ้าต้องการจะเอาให้แต่ขอใถึงตั้งใจเผานาะกลับมาหรือตั้งใจเผานาะมูอเพื่อนชุบชิดเกิดความละอายนี่เราพูดถีงความละอายแต่คิดได้ เรานั่งภาวนาการหมู่มากถ้าหากเราไม่ตั้งใจเรามาระวังหายทองระวังให้ดี <c oughs> ในระความระอายอเป็นเหตุว่าหมู่มากช่วยพี่ของเราช่วยพี่ของเราเราเพืท่านท่านก็พยูเราไปได้แต่ถ้าใครตั้งใจภาวนาเด็กเดียวคนเดียวได้แล้วนั่งภาวนากับหมู่ก็ได้นั่งภาวนาคนเดียวก็ดีแบบนั้นถือว่าเอาตัวเรอด นอกจากบัรทัพถุเองได้แล้วก็วฉะนั้นบรรยากาศนี้จะเป็นบรรยากาศที่เหมาะอย่างน้อยๆความละอายที่พูดเมื่อทีถือว่าพวกเรามาภาวนาร่วมกันเป็นหมู่มากให้มีความละอายมีความเคารพ <c oughs> ยำเกรงแต่การแยกกันสํารวมระมัดระวังมาที่ใจของตราเองเราจะได้รับความสงบความสงบนี่แหละเป็นพลังของจิต พลังจิตตาอุภาพพลังจิตตาอุภาพอย่างที่เราได้เห็นสถาบันจิตตาอุภาพอานุภาพของจิตจิตถ้าเราสุดได้จิตจริงๆถึงจะมีอานุภาพถ้าสึกไม่ได้จิตไม่มีอานุภาพ <c oughs> เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ตั้งใจรู้สึกจะได้ปรับระยาไปหน่อยตั้งใจ <c oughs> ตั้งใจ ในั่งกภาวนาไปด้วยนัโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตตจนะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุธสะนัโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุธตสกาเลนะธรรมสะกัจชา กาเลนะธรรมะสวรังเอตัมมังคะลุมตมังปูชาจักปูชนียานังเอตัมมังคะลุมตัมมัง <c oughs> โอกาสนี้เป็นโอกาสเป็นอุดมมงคลก็เป็นโอกาสฟังธรรมการฟังธรรมตรอนไหนเป็นอุดมเป็นมงคลทั้งนั้น คำว่ามงคล น, นั้นคือเหตุแห่งความเจริญเพราะในการฟังนั้นมีข้อปฏิบัติมีแนวปฏิบัติทําให้เราได้เข้าใจได้รับรู้ได้รับทราบได้รับความเข้าใจได้ข้อปฏิบัติได้แนวปฏิบัติได้ครับความเลื่อมใสศรัทธาเพิเ่มเติมเป็นเหตุกระตุ้นเตือนให้เราได้ข้อประพฤติได้ข้อปฏิบัติทา่านจล่ว่าเป็นเหตุให้เกิดจริตเกิดมงคล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 ที่เกิดขึ้นโดยธรรมก็ตามประมาทไม่เหมือนเราปล่อยใจเลื่อนลอยไป ต, ตามอำนาจของกิเลส ข, ของกรรมของวิบากและแต่มาจากพัดพาหัวใจของเราไปผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดแต่ด้วยเหตุที่เราเจริญให้เกิดสวีดให้เกิดมงคลในหัวใจของเราผลรายได้คือ เ, เป็นเรื่องของธรรมเราพูดถึงประเด็นหลักประเด็นสําคัญจีเดียวคือการภานาให้ใจได้รับความสงบ การที่ใจได้รับความสงบนั่นแหละมันเป็นการตั้งใจสร้างเหตุพอเราตั้งใจสร้างเหตุไปแล้วผลก็ตามมาพลังจิตตาลุภา พ, พลังจิตตาลุภะก็คือการตั้งใจพภาวนาจิตได้รับความสงบนั่นเองจิตได้รับความสงบจิตได้รับสติได้รับปัญญาจิ ต, ตจึงจะมีอานุภาพ แต่ถ้าหากไม่เคยสนใจคําว่าพุทโธแม้แต่พุทโธเราก็ไม่เคยสนใจไม่รู้จะมีพลังอะไรจะมาเป็นจิตตามภาพมีแต่พลังของกิเลสตัณหาเต็มหัวใจมีแต่อานภาพของกิเลสมีแบบมีแต่วัฒนกิเลสไม่มีพลังอานภาพของธรรมไม่มีวัฒนธรรมคำว่าวัฒนธรรมแปลว่าเจริญโดยธรรมวัฒ น, รรฒนกิเลสเจริญโดยกิเลสกิเลสมันตามจิต กิเลตามติดหัวใจเรามาตั้งแต่กับการนบริชาติไหนเราก็ทราบไม่ได้แต่เราธาตาตรู้ของเรามากิเลสอุบัติมาด้วยกิเลสตามมาด้วยกิเลสเป็นธาตุเลือกธาตุแสงมากับผู้รู้ของเราพระพุทธเจ้าทราบบารมีพระพุทธโคดมพวกเราสี่อสงไขยแสนมหากัพโะรงสามารถแยก ที่เคลือบแสงมากับผู้รู้ออกได้เป็นพระศาสดาตั้งตนเป็นพระศาสดาสามารถแยกเกลน้ยกหาอุปาทานออกจากงดใจได้เหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์หน้าที่ของพระองค์มาฝึกฝนอบรมเพื่อแยกสิ่งที่ปนเปื้อนมากระจบหให้เหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์พระองค์เจ้าวาระสุดท้ายที่พระองค์ได้บรรลุอาสวัคยญาณ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 สมมาบัตรทั้งเจ็เธอเรียนจบหมดแล้วไปเรียนต่อที่อุอทกกรดาบุสมาบัตรที่แปดเรียนจบภายในไม่กี่วันอาจารย์ก็บอกว่าเธอเรียนจบแล้วแต่พระองค์หันมาดูพระไทยของพระองค์นั้นจะมีกองทุกเต็มแปรอยู่ในนั้นอย่าลืมว่ารูปปัสมาาาปปสมาบัตรอรมูปสมมาบัตนั้นคือพลังของความสงบคืออานุภาพของความสงบของจิต มีพลังมานภาพจริงสามารถดำบินบินบนหเหาะเขินโดยอากาศ ไ, ได้อะไรก็ได้คืออานุภาพของจิตในสมัยนั้นแต่ไม่สามารถจะชะล้างราคะโทสะโมหะความโลรความโกรกความหลุออกจากหัวใจได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงมาบำเพ็ญโดยลําพังการบําเพ็ญโดยลําพังเราพูดถึงวันเป็นเดือนโกรกนั่นเองยามสุดท้ายแห่งราตรีทำให้พระองค์ได้บรรลุอาสวัตยายาน มียานอย่างหนึ่งทราบว่ารัชไทยของพระองค์เนี่ยกลี้ย่างกล่าวหมดจดจากกิเลสตันหาอาสวะหมดจดจากระไทยของพระองค์เห็นเหี้ยให้พระองค์พอใจและพอใจแล้วแล้วก็เห็นเหตุเห็นปัจจัยว่าอะไรบ้างที่เป็นเหี้ให้พระองค์เกิดตายเกิดตา้เกิดตายเกิดตา้ไม่มีจบเหมือนอย่างที่ปทุปมยามกับมัชชิมยามนั่นแหละที่พระองค์เห็น ภูเพลีวาสานุชิตยาเห็นพบชาติของพระองค์เกิดตายเกิดตายย่อไปกี่กับกีวัดกับไม่ร <no ู้จักจบและก็ทัางกลางจุตูปปัตตยาเห็นสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายด้วยอํานาจของกรมอะไรมองเห็นทะลุโปร่งวัดอะไรน้องไปเห็น้เกิดให้ตายมากมายที่ขณะนี้จึงเป็นเหตุให้โปร่งภาวนาหมุนไม่หยุดไม่หย่อนด้วยอํานาจของตะปาทำแต่ยังมี้พระจิตของพระองค์เนี่ยละเอียดมากละเอียดมาก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 สิ่งใดก็ตามนับตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปท้าเรียกว่าสังขารสังขารสังขารทีอส่วนประกอบขอสิ่งประกอบสิ่งปรุงแต่งสิ่งประกอบสิ่งปรุงแต่งสิ่งประกอบเมื่อพระองค์แยกยังไม่ได้พระไทยของพระองค์ก็ยังมีกอสังขารอยู่เพราะฉะนั้นภพภูมิของพระองค์จึงเปลี่ยนไปเรื่อยขึ้นสูงบ้างตามบ้างตามอำากของบุญของตาม ท, ที่พระองค์ทา ตกนรกบ้างเป็นสัตว์ดิบชั้นบ้างเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่เป็นอะไรสารพัดเพบาปูมิเปลี่ยนไปตามบุญตามการมที่สั่งสมอบรมด้วยกิริยาการกิริยาวาจากิริยาใจตราบใดที่ยังมีเสียงนั้นปนเปื้อนอยู่ในหัวใจทําดีที่สุดกิตละเอียดที่สุดที่เกิดในเทวโลกจะเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมทั้งรูปประพ ร, ะรูปประพรมสมารถไปเกิดได้เปลี่ยนพรเปลี่ยนภูมิไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้น เพราะฉะนั้นเข้าลักษณะที่ว่าขึ้นชื่อว่าสังขารไม่เคยคงที่ไม่เคยเท่าเดิมไม่เคยคงที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเหมือนอย่างภพชาติของสัตว์นั่นแหละเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยไม่คงที่เกิดเป็นคนเนี่ยบางทีก็ไปทําตามอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำๆถึงแม้ว่าจะมาเกิดเป็นคนซ้ำๆเช่อย่างคนเคยฆ่าตัวตายเกิดมาแล้วฆ่าตัวตายเกิดมาแล้วฆ่าตัวตายห้าร้อยชาติแต่ว่าความเป็นอยู่ของเขาก็ไม่เท่าเดิม แต่ด้วยเหตุที่เขาเคยออกช่องทางตรงนั้นเขมีความติดตามอั่นตู้ด้วยความทุกข์ทรมานหัวใจก็ออกช่องเดิมก็ออกช่องเดิมจนกลายเป็นนิตรใ ส, สแต่ความเป็นไปของจิตจักไม่อยู่เท่าเดิมคุณชื่อว่าจะมีสังขารมาเกี่ยวข้องนะจะไม่อยู่เท่าเดิมอันนี้เป็นเรื่องของนามธรรมานามธรรมาของเราก็าเกิดมาตั้งแต่กับการปุริชาตของเราก็ทราบกระได้แต่หากพัฒนาตัวเองมาโดยลําดับสูงบ้างต่ำบ้างลุ่มๆดอน อย่างที่เราทราบนี้เองทีนี้เรามาพูดถึงรูปธรรมรูปธรรมคืออัตภาพร่างกายของเราพวกเราเกิดในมนุษย์เกิดในปัจจโวกาลมีกายมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีบอย่ญญางเป็นขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้าไม่ใช่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวยังมีผู้รู้ที่ปนเปื้อนกับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ปนเปื้อนมาด้วยอย่างน้อยๆก็คือขันธ์ทั้ง5้านี่แหละ คือสิ่งที่มาปรากฏได้จากผู้รู้ที่ไม่บริสุทธิ์ทำให้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์มีรูปธรรมมีนามธรรมนี้ที่ไปที่มาของนามธรรมเราก็ปรารบบ้างแล้วที่ไปที่มาของรูปธรรมในอัตภาพนี้เราก็ย้อนไปที่ที่ไปที่มาของรูปธรรมของเราได้มาจากไหนเราก็ได้มาจากพ่อได้มาจากแม่ของเราเราย้อนไปย้อนไปย้อนไปตั้งแต่เรานั่งอยู่างนี้ย้อนไปจนถึงไหนท้องแม่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 ได้มาจากข้อได้มาจากแม่มีอะไรผลักดันให้ได้เข้ามาพูดรับพูดไปพูดมาก็ไม่พ้นอำนาจของตันหาคือกิเลกกิเลกก็คือตันหาตันหาก็คือกิเลสอวิชชาตันหาอุปาทานกิเลสเป็นอันเดียวกันหาเรียกตามกิริยาอาการของมันเท่านั้นเองกิเลสอวิชชาตัน ห, หากิเลสอวิชชาตันหากิเลสที่ผลต้นมาถดถี่ของเรานี่เอง เพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับตัณหาไหมเกี่ยวข้องกับความอยากไหมเราดูไปก่อนที่เราจะได้ไปปฏิสนธิก่อนที่ธาตุพ่อธาตุแม่จะไปประกอบกันในท้องแม่อาศัยความอยากไหมอาศัยตัณหาในใจของพ่อในใจของแม่นั่นคือเรื่องของนามธรรมาเราดูอย่างนี้เราเห็นที่เกิดของตัณหาที่เกิดของตัญหาตัณหาของพ่อตัณหาของแม่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 กลายเป็นกองงานพอไปประกอบกันนี่เป็นกองงานคือชื่อว่ากองงานนี่ทําทุกยักทุกเวลาไม่เคยอยู่เท่าเดิมไม่เคยอยู่คงที่เราดูลักษณะอย่างนี้จะทําให้เราเข้าใจถึงความเปลี่ยนไปของรูปธรรมของเราทําให้เราทราบความเปลี่นไปของนามธรรมของบัดของเราโดยเฉพาะรูปธรรมของเราอยู่ในท้องแม่6เดื ường, ường, อน7เดือน8เดือนเป็นปัญจักสาขามีหัวมีลําตัวมีขาสองมีแขนสองเดเดือน ường, 8เดือน เก้าเดือนคลอดออกมาในระหางที่อยู่ในท้องแม่ก็ต้องอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงจากจากแม่เห็นไหมมีสายรับสายสะดือสู่เลือดสู่อาหารทุกอย่างก็ไปหล่อเลี้ยงตัวเองถ้าไปหล่อเลี้ยงตัวเองเป็นกองงานกองหนึ่งไม่เคยอยู่เท่าเดิมเป็นกองงานกองหนึ่งไม่เคยอยู่เท่าเดิมจนอายุครบป อ, อแล้ก็ออกมาตัดสายรอบออับปอ เป็นฐานพ่อแม่ข้ป้อนด้วยข้าป้อนด้วยน้ำนมพอโตขึ้นมารู้เดียงสาธรรมะรับทานอาหารเข้ า, ากระแกมไปด้วยกลุ่มตัวเราเองเพราะอะไรเพราะสังขารกอง น, นี้เสื่อมไปสิ้นไปนี่คือความเป็นไปของร่างกายแท้ที่จริงศาสนาธรรมนี้เรามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะศึกษาให้รู้ความเป็นไปของตายความเป็นมาของตายความเป็นไปของจิตความเป็นมาของจิต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 ไม่มีใครสักคนที่เอาอเลือดสักหยดหนึ่งไปเกิดในท้องแม่ไม่เคยมีแต่พอเรารู้อยา่างสาภาวะโตมาเจ็ปีแปปีที่ยี่สิบปีเป็น ต, นต้นไปกินจิตมานะักมีความยึดมีความถือว่าเป็นราว่าเป็นของของเราทุกทิ่ที่อาจารย์สุาะเลยว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราแต่ด้วยเหตุที่เรายึดถือจนจำเจเราสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราจริงจริงท่านสอนให้พิจารณาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา แตเราหาโอกาสเี่จพิจรารณาพิจารณาได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อเราโผล่ขึ้นมาทีไรอักตามก็โผล่ขึ้นมาทีนั้นเมื่อนั้นทิศทมานะก็โผล่มาทีนั้นเมื่อนั้นความถือเนื้อถือตัวก็โผล่ขึ้นมาในที่สุดในสังคมที่เราเป็นเราอยู่เนี่ยการถือเนื้อถือตัวถ้าให้ให้เรามีการทะลาะเบาแวงซึ่งกานลกันไปจับตรงไหนก็ไปจากตรงนี้เองมีการยึดถืออะไรพาให้ยึดพาให้ถือ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 อยากที่เป็นเรื่องของกิเลสนะั้ยมันมันอยากด้วยาการหมินเกลียวกับศีลกับธรรมเช่นอยา่างท่านบอกให้ให้มีศีลหา้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่กระตุกกิเลสการไม่พูดเท็จพูดเท็จพูดหยาบพูดซอเสียดพูดเผยเจอไม่ยืมสุรามีไรแต่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นเรื่องความอยากตามอำนาจของกิเลสแล้วท่านบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์อยากฆ่าความอยากข้ามันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วอยากลักห้ามลักทรัพย์อยากลัก ห้ามผิดลูกผิดเมียเขายาผิดลูกผิดเมียเขามันท้าทายห้ามพูดโกหกหมดเท็จยาพูดเท็จพูดเพื่อเห็นประโยชน์เห็นแก่ประโยชน์เห็นแก่รายได้ห้ามบุญสราเมรัยติดกดไม่ได้ทนไม่ได้แอบดื่มอยู่ร่างไปความอยากที่ปีนเปรียกันกับสิมกับกับกับสิมกับทําแบบนี้มันเป็นการความอยากตามอํานาจของกิเลสตันหา แต่ถ้าความถ้าความอยากอยากรักษาสินไม่อยากขาดสินข้อหนึ่งข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5อยากตั้งใจรักษาสิน5ตั้งใจรักษาสินแอยากทากิจให้ได้รับความสงบอยากพิจารณาเกิดปัญญาทำลายความหลงของตัวเองความอยากเป็นนี้แบบนี้เป็นมากเป็นธรรมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจงสอนให้เราภาวนาพุโทโธพุโทโธพุทโธเป็นเนพื่อความธรรม ในเมื่อเราตั้งใจทํางานโดยเอารรมมาทํางานมันกลายเป็นธทำแล้วก็เป็นกรรมเป็นวิบักผลรายได้เป็นเรื่องของธรำแต่ถ้าหากเราไม่เอาทำมากํากับที่จิตเราปรอให้จิตของเราเป็นไปตามอํานาจของวัตะุนที่เขาเรียกว่ากิเลกกรรมวิบักกิเลกกรรมวิบักผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลกในหัวใจของเราเราย้อนมาดูว่าเราสนใจกับงานอะไรบ้าง เราสนใจเกี่ยวกับเรื่องรอยจิตร่องรอยประจามอำนาจของกิเลสกลายเป็นว่าวันคืนล่องไ ป, ปรับูนในเรื่องของกิเลสตลายเป็นกิเลสเป็นตรรมเป็นพิบัติก็ยิ่งบวกยิ่งเพิ่มเพิ่มปูนทะลุคูนไปไม่จบแต่ถ้าหากเราได้ข้อปฏิบัตรริตั้งใจรักษาสิ่ยิ่งตั้งใจภาวนาให้จิตได้รับความสงบสงบละเอียดที่่งขึ้นไปจนเป็นอธิจิตตั้งใจพิจารณาให้เกิดความรู้เข้าไปจนจนเป็นอธิปัญญาทําไปเรื่อยสังสมไปเรื่อยอบรมไปเรื่อย กลายเป็นทำกรรมวิบัติทำกรรมวิบัติผลรายได้เป็นธรรมธรร ม, มากมูลจนว่ามีกําลังมากมากกว่าอำนาจของกิเลสจึงจำมากจับตอก่ อ, อกันกับกิเลสได้ถ้าวันคืนล่วงไปเราไม่ไดำเนินถึงธรรมเลยเ ร, ราให้จิตของเราหนี่ยล่องลอยไปตามอำนาจของโลกตามกระแสรรของโลกผลรายได้เป็นเรื่องของมันทั้งหมดน้งตาท่านจิงว่าถ้า ไม่สนใจไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่ตั้งใจรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแล้ววันทั้งวันคืนทั้งคืนเป็นผลรายได้ของตัญหาทางนั้นเพราะฉะนั้นมันเพิ่มูนไม่มีจบไม่มีกจกุดจบไม่มีที่จบมนุษย์เรานั้นถือว่ามีคุณธรรมท่านจริงท่านจรงว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมมนุษย์มีศีลมีธรรมจึงสามารถมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ อ, อย่างน้อยๆศีลห้าเราอาจจะทะลุบ้างด่าบ้างขาดบ้างแต่ยังมี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 เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงว่ารักสวรรค์รักสวรรค์มีในหัวใจของเราเรามีสีเหล่านี้มันเป็นสื่อบอกถ้าเราทำตำซาตามช้าเลวซามไม่มีคุณสมบัติพอที่จะได้เป็นเป็นสัตว์ในฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตามเรื่องเป็นสัตว์ในอับายแต่ถ้าเรามีสีอย่างน้อยมีแค่เป็นมนุษย์มีมนุษย์เสียธรรมก็มาเป็นมนุษย์แต่ถ้าตั้งใจกดีเป็นผู้มีศีมีธรรม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 ถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างแท้จริงเราตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาสามารถทีตัวเองไปได้อย่างสูงสุดมีสมาธิมีปัญญาเห็นโทษเห็นภยัยจริงจังตั้งใจปฏิบัติจริงจังทีตัวให้พ้นได้อารยธรรมขั้นใด ข, นขั้นหนึ่งสามารถทีบตัวไปได้เห็นโทษจริงจังเต็มที่สามารถได้พ้นทุกพ้นโทษในวัฏสงสารไปได้ แต่ถ้าเราไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยเราอาจจะอยู่ไม่เท่าเดิมถ้าเราตั้งใจทําแต่ชัวช้าละมกตามอํานานจะของกิเลสตัณหามันบุกต่อในหวัวใจของเราให้เราจิตค้องกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสเกี่ยวข้องกับเรื่องของต า, ามกรรมคุณทั้งหลายทั้งปวงยึดมัน่นถือมันนม่นในกรรมคุณทั้งหลายอย่างเต็มแพร่ไม่เคยสนใจที่จะแสวงหาอ่า ศึกษาให้รู้ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเราไม่มีโอกาสที่จะขึ้นที่สูงได้สามารถพัฒนาต่าตําไปต่ำจนถึงที่สุดจุดขั้นไหนเหมือนอย่างพระเทวทัศน์ถึงขั้นอาวจีมหามหาเนารกก็สามารถทำได้มีพพชาติของความเป็นมนุเป็นพพชาติที่พัฒนาไปได้ดีถ้าหากเราพัฒนาไปในทางที่ผิดตามอํานาจของกิเลสเราก็จะลงต่าสุดๆก็สามารถทำได้ แต่พัฒนาไปตามอำนาจของธรรมของสิ่งของธรรมพัฒนาไปให้ถึงจุดสูงที่สุดก็ได้เท่าความสามารถของใครของเราีคือคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์มีอยู่ในนี้เป็นอนี้เราทราบที่ไปที่มาของรูปธรรมของเราเราได้มาจากพอ่อได้มาจากแม่เป็นกองสังขารกองสังขารกองนี้เราดูให้เห็นเป็นอุปมาพระพุทธเจ้าชัทรงตรัสว่าสังขารทุกอย่าง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 กิริยาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์แต่ถ้าตรงกันข้ามเราดูบางศาสนาเขาไม่ได้สอนมาที่กิริยาของกายกรรมกิริยาของวจีกรรมกิริยาของมโนกรรมแต่พุทธิยถาเขาสอนตรงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเป็นเหตุให้เกิดกรรมกายกรรมเราก็ดูที่ห้าสัพละซับพระพุทธีในกรรมวัจีกรรมพูดเท็จพูดหยาพูดส่อเสียดพูดโพลเจอ ก็ทำลงไปและวกลายเป็นไตรต่รมกลายเป็นมโนกรรมกลายเป็นวิจิกรรมกลายเป็นมโนกรรมมโนกรรมมันเป็นเรื่องของปัญญาที่เราต้องสอดส่องพิจารณานะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจไม่ไม่ลบอยากได้ของเขาไม่พ ย, ยายามบัองร้ายเขาที่สําคัญที่สุดก็คือเห็นถูกตามทํานองคลองธรรมวิชาเหล่านี้ทุกที่เจ้าท่านจิงทรงวางหลักเกณฑ์เอาไว้ให้เราตั้งใจ รักษาศีลรักษาศีลเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาตามหลักอริยมรรคในองค์แต่ที่พระองค์ทรงสุขเรามาดูข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงแสดงในธารมะจากรกลพระวัตนสูตรซึ่งเป็นการแรกถ้าพูดถึงขอนทางที่ผิดพลาดการมาสุขาริการโยกอัตถิรมันานิโยคการมาสุขัาริการโยคคือประกอบตนพัวพันในกา ประกอบต้นพพันในกาลส่งเสริมให้เราติดกับรูปกับเสียงกับเรลี่ยนกับรถกับสัมผัสอันนี้เป็นเรื่องของวัตถุกามกาลที่สำคัญที่สุดก็คือกาลมราคะที่มีอยู่ในหัวใจของเรากามมีความกำนัดระหว่างเพศอันนี้จะเรียกว่ากาลมราคะอันนี้ก็เป็นที่ว่าเป็นยอดของกาลถ้าหากเราติดเรื่องของกาม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 พระพุ ท, าท้าทรงตรัสว่าเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเปล่าเหน็ดเหนื่อยเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่สองเอากายออกจากการแล้แต่จิตยังไม่ออกจากการเอากายออกจากการหมายความว่าเราหาบ้านหางช่องไปอยู่วัดอยู่วาอย่างเงี้ยตั้งใจรักษาศีลแปดเป็นสา ม, มนเนรรักษาศีลสิ 10, เป็นพระเจ้าพระสงฆ์สวดศีลรี่สิบเกดแต่เราไม่ได้ตั้งใจภาวนาให้จิตได้รับความสงบ ไม่ได้ตั้งใจภาวนาะให้จิตได้รับความสงบหมายความว่ากายออกจากกามแต่จิตของเรายังไม่ออกจากกามคิดนึกจะเรื่องของกามเหมือนกับไม้สดจดชุม่มด้วยยาเอาไปเสียเกิดไฟย่อมเป็นไปไม่ได้อ น, นี่เป็นอุ ป, ปมาที่กุตติยาท่านอมาสสอนให้พวกเราเพื่อให้เราทราบระดับความเป็นอยู่ของเราท้าไมเราภาวนาเป็นไปทําไมเราภาวนาไม่เป็นไปเราเปรียบเสมือนใยไม้สดชุม่มดยอย่างและแช่อยู่ในน้ํา มายความว่าเราสนใจในเรื่องของกาถ้าใครสนใจเรื่องเหล่านี้เป็นอัคคมฐานกามสุภาลิกานุโยค ก, กาโมสุภาลิกานุโยคเป็นทางต่ําเป็นทางซามเป็นทางเลวและกับตั้งใจปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่มีโอกาสที่จะทําให้จิตของผู้นั้นบริสุทธิ์ได้และอีกประเภทนึงก็คือทรมานกายอัคคีธมฐานุโยคเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำอัคคีธรมฐานานุโยค ทรองกดฟันด้วยฟันกดลิ้นด้วยด้วยเทดา น, นี่แล้วกลั้นลมอักสาสะกลั้นลมหายใจทรมานกายอย่างเดียวแล้วก็อดอาหารพุทธเจ้าท่านทรงทอดอาหารตั้งแต่ชั้นอิ่มธรรมดาทรรดลดไปเรื่อยลดไปเรืเ่อยลดลลดจนเหลือหนึ่งเมตรคิดดูสีร่างกายสูง ส, ขสขิขนาดไหนสมัยพระองค์ทำทุกรักริญญาณ จนขุมขนเนี่ยเน่าทำให้โรคร่วงปกขนร่วงไป น, นั่นคือทรมานกายแต่แท้จริงความอยากคือตัณหามันมีอยู่ที่ใจตัณหามีอยู่ที่ใจเราย้อนไปดูที่ใจของเราเราเห็นตัณหาเราเห็นความอยากการที่เราทําความเข้าใจรอบรู้เรื่องความอยากเป็นข้อปฏิบัติประจําหัวใจของเรา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 เป็นสีเป็นสันดูแพรวปล่ามีค่ามีคุณค่ามีราคาอันนี้คือคุณสมบัติภายในใจของเราการที่เราตั้งใจเฝ้าหนาะให้ใจได้รับความสงบนั้นตั้งใจรักษาศินสินหนุนสมาธิสมาธิาธหนุนปัญญาตั้งใจรักษาศินนั้นไม่เหมือนกัรให้ทานการตั้งใจให้ทานเาานี่ยรับฝากการทำก็ได้เรื่องการให้ทานแต่พอขยับมารักษาสินปั๊บเราจะต้องทําเอาด้วยตัวของเราเอง รลา่าไว้ด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมกายกรรมของเราก็บวกมนโนกรรมวจีกรรมของเราก็ต้องบวกด้วยมนโนกรรมตั้งใจรักษาสิลตั้งใจรักษาสิ่ปพักเรามีข้อปฏิบัติเน่ธรรมะของพระพุทธเจา้าคำสอนของพระพุทธเจา้ามีข้อปฏิบัติเพราะฉพระพุทธเจ้าก็ทําประสงค์นั้ น, น, นเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเราเป็นที่พึ่งอันสูงสุดอย่างนี้ใครตั้งใจมาพึ่งมาระึกแล้ว คนนั้นมีข้อปฏิบัติเมื่อตั้งใจไปฝึกปฏิบัติปั๊กมันเป็นการชะล้างกายกรรมของเราให้ดีขึ้นวหวจีกรรมของเราให้ดีขึ้นก็เอาจิตของเราเนี่ยมาชะมาล้างมาฝึกมาฝนมาอบรมทําให้เราเข้าใจเรื่องความเป็นไปของกายกายกรรมวหวจีกรรมมโนกรรม <c oughs> ตั้งใจรักษาศีลตั้งใจรักษาศีลแล้วก็ตั้งใจ ภาวนาจิตได้รับความสงบอย่าลืมว่าจิตที่สงบนั้นคือจิตจะเริ่มออกจากกางจิตที่สงบจิตจะเริ่มออกจากกางจิตไม่สงบคือจิตว้าวุ่นไปกับกางตัณหามันพาให้ว้าวุ่นไปกับกามกางก็คืออะไรคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสที่เรียกว่าวัตถุกลางด้วยเหตุที่ใจของเรามีกางอยู่ในภายในที่เรียกว่ากามัคิเลตกามมัิเลตจิตในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส คือจิตจิตในกายภาวนา ใ, ใจได้รับความสงบเมื่อสงบจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสท่านจึงให้เรามาภาวนาอยู่กับอารมณ์เดียวผูู้บาจารย์ท่านก็สอนให้พวเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อทรมานใจที่มันเคยดิ้นรนไปตามอำนาจของความอยากให้สงบอยู่กับอารมณ์เดียวเราจับอยู่แค่นี้จนจิตของเราเริ่มเชื่องเริ่มชินเริ่มมีความสงบพอจิตเริ่มมีความสงบจิตของเราก็ เป็นอิสระจากกามเป็นอิสระจากการมในขณะที่เราเข้าสมาธิทําจิตให้ได้รับความสงบจิตของเราก็สนบสนันจากกามตราบใดที่เรายังไม่สนบสนันจากกามเราจะบําเพ็ญให้ยิ่งไปมากกว่านี้ยากบําเพ็ญให้ยิ่งยิ่งไปกว่านี้ยากเหมือนอย่างเราเอาไม้สดจุ้งด้วยยางเอาไปสีกันให้เกิดไฟเป็นไปได้ยากพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเหนื่อยเปล่า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 พระุเจ้ทาท่านสอนยศ ก, กุลดุษสอนทานุานลกลัทาสีลทัทถาการตั้งใจให้ทานตั้งใจรักษาสีอย่างที่เป็นเหตุให้ได้สวัรค์บนสวัรค์นั้นล้วนแต่มีแต่กามคุณเต็มแปรล้วน้วนสวั์หกชั้นเทวโลกทั้งหกชั้นเป็นที่บำรุงบำเรด้วยด้วยกามคุณทั้งทั้งหกรุปดีดดตา รูปดีดีเสียงดีดีกลินดีที่อยู่ดีดีอะไรดีดีอนุ ก, นกติบอันนี้กระทิบทิบเต็มไปหมดพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ทานรักษาศีลอย่างยิ่งได้สวรรค์อ่าแสดงท่านก็สอนให้เห็นโทษของสวรรค์ที่เรียกว่าอาธีนวะตัาอาธีนวะขาสอนเรื่องสวรรค์ให้เห็นคุณค่าของสวรรค์ให้เห็นโทษของสวรรค์และให้เห็นอานิสงส์ของการออกจากตาม อาทีนวัตถานให้เห็นโทษของกาบบนสวรรค์นัคือกองกาบมคุนทั้งหลายเจมแปร่อยู่บนนั้นการที่จะเห็นโทษของสวรรค์ได้นั้นจะต้องเห็นโทษของกาบมะขุนการที่เอาใจออกจากกาบมคขุณทั้งหลายทั้งปวงเหล่านะั้นมีอาณิสง์อาทีนวานิสังสาขาฐานมีผลมีอาณิสง์เหมือนกับไม้แห้งไม้แห้งอยู่บนบกบุตรต้องการสีให้เกิดไฟ เหมือนอย่างที่เราเรียนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเสร็จแล้วเราก็ตั้งใจเจริญศีลตั้งใจเจริญสมาธิอาพุโทโธพุโทโธพุทโธเพื่อคิด้รับความสงบสงบอยู่ในขั้นไหนก็ตามสงบอยู่ในขั้นวิตกวิจารณ์ปิตุขเอ ก, กขตาำดำรงตน อ, อยู่อย่างนี้แหละสงบอยู่แค่นี้แหละจิตไม่ที้งคำบริกรรมก็ตามถือว่าจิตเริ่มได้รับความสงบแล้จิตจะเริ่มเป็นตัวของตัวแล้วเมื่อจิตเริ่มเป็นตัวของตัว จิตจะเริ่มออกจากการการออกจากการคือความสงบของจิตจิตสงบละเอียดไปเรื่อยเรียบไปเรื่อยเรียบไปเรืยละเอยียดถึงขั้นอิม่มอิ่มไม่ไม่ ด, ดันบิดคาว่าพุทโธพุทโธจิตก็ไม่ไปไหนจิตอิม่มเอออยู่กับอยู่กับปีติอยู่กับความสุขอยู่กับเอกคตาจิตเข้าถึงความสุขเอกคตาจิต เข้าถึงอุเบกขาเอกขตาจิตสว่างโล่ไม่มีกิริยาอาการสงบเป็นการเป็นราวอันนี้คือความสงบตามลาดับของจิตจิตทีต่ได้รับความสงบนี้เองท่านถือว่าจิตเป็นอิสระจากตามใ น, น, นเมื่อจิตเราอิสระจากตามแล้วก็ตามเราก็ตั้งใจบําเพ็ญภาวนาพิจารณาพิจารณาให้เห็นโทษเห็นไตรของกองสังขาร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 ความไม่อยู่เท่าเดิม เ, เป็นทุกข์แต่ทุกข์ขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้งทุกขงังทั้งอนิจจังไอนน้เป็นกระแสของธรรมที่จะเรียกว่ากระแสของกระแสของสังขารการที่เราเข้าถึงธรรมเหมือนอย่างพระอัญญาโกนทันยะเข้าถึงธรรมด้วยด้วยบทธรรมที่ว่ายางกิจีสมุทยธรรมะสัพปันตานิโรธธรร ม, มสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นธรรมรา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 สังขารที่อยู่ในตัวเราเป็นสังขารที่มีวิญญาณครองสังขาร น, นอกตัวของเราเป็นต้นไม้เป็นแผ่นดินเป็ น, น, ปนวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบข้างตัวเราเป็นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองมีลักษณะเหมือนกันหมดคือคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปไม่มีใครไปดัดและให้เป็นอื่นไปได้ไม่มีใครดัดแปลงให้เป็นอื่นไปได้โดยเหตุที่ดัดแปลงให้เป็นอื่นไปไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถบังคับ บัญชาให้เป็นไปตามใจหวังได้รู้นเจาท่านจริงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาอันนี้คือภาวะของสังขารสังขารใดๆในโลกตกอยู่ในภาวะอันนี้เองอันนี้คือเป้าประสงค์ในการตั้งใจศึกษาตั้งใจพิาจพารณาตั้งใจคน้นคว้าเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์สอนให้เราเจอมาธิและก็มาพิจารณาทางด้านของปัญญาพิจารณาทางด้านของปัญญาไปละเอียดลึกเท่าไหร่ก็จะเป็นเหตุส่งเสริมสมาธิ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 จนจิตของเรามีความรู้แปลกปาดอัศจรรย์ขึ้นมาเป็นปัญญาเป็นปัญญายาเป็นวิปัสนาเป็นวิปัสนาญาณแต่ต้องทําอย่างยิ่งยวดเหมือนเขาตั้งอกตั้งใจสีไม้เกิดไฟเนี่ยสีหลุดสมมติเราทําไปทำไปทำไปทำแล้วก็หยุดคือทำไม่ถึงทําทำทําแล้วก็หยุดสีไม้เกิดไฟสีสีสีแล้วก็หยุดโอกาสที่การเสียสีของของไม้มันจะเกิดไฟมันเกิดมาไม่ได้มันรวมตัวกันไม่ได้ วิธีทำทำยังไงถึงจะได้เปลวไฟใช้ท่านจีให้ทําอย่างต่อเนื่องทําะทำอย่างสม่ําเสมอทําให้หนักหน้าเข้าไปเรื่อยเมื่อเราสีไม้เกิดไฟทําสีสีสีไปเรื่อยสีไปเรื่อยสีไปเรื่อยจะมีสัญลักษณ์ไฟปรากฏโอ้มีควันโอ้มีฐานดำดำโอ้มีฐานแดงๆดงาียากไม่ปล่อยที่อยากไม่ปล่อยหมายความว่าไฟก็ติดอยู่แล้วถ้าสมมติเราไปหยุดข้าวพอเราหยุดปั๊บ ก็เย็นลงพอความร้อนเย็นลงไอ้ที่แดงๆก็หมดไปแล้วเหลือแต่ฐานน้ำดำแล้วคิดได้อีกทำมาอีกเนี่ยเราสามารถทําสีไม้เป็นได้ไฟใช้เราสีอย่างต่อเนื่องอันนี้เราสังเกตสังการในจริตในกิริยาในการกระทำของเราเองเห็นสัญลักษณ์ความเป็นไฟเป็นควันปรากฏเป็นฐานน้ำดำปรากฏเป็นฐานแดงในทยายไม่ปล่อยเอาตรงเนี้เป็นตายคอยได้เป็นตายคอยได้ ที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเหลือเดนตายเหลือเดนตายนี่แหละเหลือเดนตายตรงนี้แหละไม่ยอมปล่อยเคยปล่อยหลายครั้งหลายวนแล้วปล่อยแล้วก็หลุดไปอีกแล้วปล่อยแล้วก็หลุดอีกไปแล้วปล่อยแล้วก็หลุดอีกไปแล้วไม่ยอมปล่อยเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเลยไม่เหมือนเราเด็กไม่เหมือนเราหามการรักษาประคับประคองอารมณ์ตรงนี้เนี่ยเข้มข้นเอาเป็นไฟลุกทุกแหม ที่เราทําเป็นประจํานั้นมันเป็นการทําแบบฝึกหัดทําให้เกิดปัญญารู้ไปเรื่อยรู้เรื่อยรู้เรื่อยรู้เรื่อยรู้ไปเรื่อ ย, ย, ย, ยพอถึงคราวที่มันถึงที่ก็มั น, ม, น, ม, นมันก็จะเกิดความรู้แปลกประหลาอจิตจรมพ์ขึ้นมาที่เรเรียกว่าปัญญาญาปัญญาญาหรือญายญาหนึ่งปรากฏรู้ว่าเออกระแสธรรมขัน้นนี้ระดับนี้ทําให้เราแจ่มแจ้งในหัวใจของเราเห็นแจ่มแจ้งในหัวใจของเราสัจธรรมก็คืออ น, นิจรย์ทุกขงาาังณน สิ่งใดสิ่ ง, น, ง, น, น, งนึ่งมีความาเกิดขึ้นเปลี่ยนธรรมดาสินะมีความดับไปเปลีนธรรมดาประทับในหัวใจของพระอัญญาโภทะยาเนี่ยเป็นเป็นผู้เห็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านมาทรงแสดงจนพระพุทธเจ้าท่านกดอุทานไม่ได้อัญญาสิวัตโธค น, นันอยู่อัญญาสิวัตโธคนนันอยพระองค์ไม่อัศจรรย์เพราะว่าพระองค์มีคุณธรรมเต็มเตี่ยมเต็มพระไทยของพระองค์อยู่แล้วแต่ในเมื่อลุกศิษปรากฏผลอย่างนี้ขึ้นมารองรับพระองค์ได้ พระองค์อดที่จะอุททานออกมาไม่ได้พระอัญญาโกลธัญญาถึงได้ที่ว่าอัญญาโกลธัญญะนามหน้านี่กลายเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แร่พระอริยสงฆ์หนึ่งองค์ท่านเขาเรียกว่าพระอริยพระอริยสงฆ์มีพระอัญญาโกลธัญญาเรามาดูปัญญวัตรีทั้งห้าถึงแม้ว่าเขาจะมีสมาธิสมาบัติถึงขนาดนั้นก็ตามไม่ใช่ว่าบุญบารมีส่วนเรื่องของปัญญาไม่จะตามตา ม, ตามการทันต้องขยับมาเรื่อย วันที่สองวันที่สาวันที่สวันที่ห้าทั้งห้าองคนะ์นักถึงจะได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านจึงแสดงอำนาจจักรพสูงพูดถึงธรรมะส่วนละเอียดคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ไม่ใช่ตนเรามาดูอุทกดาบทอาลาราดาบทรู ป, ปรสมมาบัตรอรุ ป, ปรสมมาบัตรพอเขาได้ถึงขั้นนั้นแล้วเขาติดอยู่แค่นั้นเองหาทางออกไม่ได้หาช่องออกไม่ได้เพราะไม่มีบุญญาบา ร, รมีไม่ได้สร้างบารมีเหมือนพระพุทธเจ้า ต้องการให้มีอัตตาตัวตนเพื่อรองรับความสุขเราจะถือว่าเรามีความสุขได้ยังไงถ้าไม่มีผู้เฉวยสุขแหมเพราะฉะนั้นอัตตาตัวตนนี้ปล่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นนิพพานของกลามจริงเป็นอัตตาอัตตาอัตตมันอัตตาเต็มแพร่ที่เรียกว่าอัตตมันอัตตมันนิพพานของกลางตายแล้วก็เกิดบนบนโลกพระพรหมไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหมที่เรียกว่าเป็นปรมาตมันอันนี้ก็ว่าเฉย ว่าเอาเฉยๆว่าพระพรหมเที่ยงพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าพระพรหมก็ม่เที่ยงพระพรหมมีโลกของพระพรหมจํากัดมีโลกจํากัดมีอายุจํากัดเหมือนพระพุทธเจ้าของเราสร้างบารมีสี่อสองไขยแสนมหากรรมโน่นนานขนาดนั้นมันก็สามารถเต็มแปะขึ้นมาได้บางองค์แปดอสงไขยแสนมหากรรมก็สามารถบำเพ็ญนเต็มแปะขึ้นมาได้ระยะเวลาที่ยืดยาวขนาดนั้นบางประเภท16ิบหอสองไขยแสนมหากรรม ยาวขนาดไหนการเนื่อนนานของระยะตามเวลาบนโรคพระพรก็หมดได้เช่นเดียวกันแต่ด้วยเหตุที่อายุยืนพระพงพระครเขาถือว่าพวกเขาเที่ยงเที่ยงอันนี้เราอามาเทียบกันให้ให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอมั ต, ตาท่ามกลางอัตตาในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์แปลกประหาดอัศจรรย์มากในเมื่อเราบรรทับอะไรไม่ได้สักอย่าง ถ้าควรจะยึดถรือว่าอันนั้นเป็นเอันนี้เป็นเรานนนเป็นเราไม่ได้สมาธิสมาบัติทั้งหลายทั้งปวงเราก็ยึดไม่ได้อันนั้นก็ยึดไม่ได้อนี้ก็ยึดไม่ได้อัตภาพร่างกายอะไรก็ยึดไม่ได้ความดีใจก็ยึดไม่ได้ความเสียใจก็ยึดไม่ได้อะไรก็ยึดไม่ได้บังคับอะไรให้เป็นไปตามใจหวังสักอย่างก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในทีสุดก็เลยปล่อยให้เป็นไปตามภาวะของมันกลายเป็นอนัตตานี่คือคําำอนัตตา หน้าตาโผล่ตรงนี้ที่ท่าว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ไม้ยความไม่มีมีอยู่แต่เราบังคับให้เป็นไปตามใจหวังกรไม่ได้เรามีตาเราบังคับไม่ให้ตาเราฟาราฟานตาบอดเราบังคับได้ไหมผมไม่ให้มันงอกเนี้ยอัตภาพร่างกายไม่ให้มันขยับขยายตัวอยู่ร่ำไปเงี้ยเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมเดี๋ยวผอมเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวขาวเดี๋ยวดำเดี๋ยวดังเดี๋ยวนีเดี๋ยวนี้โตแต่งอยู่อยังไงยังไม่จบไม่สิ้น เราด like, you ูที so speaking, ่เราพยายามกระเกณยนมันชักเท่าไหร่เพื่อให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองแล้วก็ท่าบอกว่าต้องแก่ไม่อยากแก่ตัณหามันดอกไม่อยากแก่ร่้งกายต้องเจ็บไม่อยากเจ็บตัณหามันไม่อยากเจ็บคือมันอยากอยู่มันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บและมันก็อยากไม่ตายตัณหาแปลว่าความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายรัคขับได้ไหมบัคขับอะไรไม่ได้สักอย่างอันนี้คือความโง่เขลาของตัณหา การที่เอาจิตของตัวเองไปตะเกแยบให้สิ่งเป็นประจําใจหวังของตัวเองสิ่งนี้เป็นประจามใจหวังของตัวเองทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นเขามีเหตุมีปัจจัยของเขาเหมืออย่างร่างกายไม่มีเหตุมีปัจจัยของเขาร่างกายประกอบด้วยดินน้ํำลมไฟร่างกายของเราประกอบไปด้วยดินน้ําลมไฟเหตุปัจจัยของเขาก็คือดินน้ําลมไฟเราอยู่ในท้องแม่เราก็ดูดเลือดเนื้อจากแม่ไป ก็เป็นดินน้ําลมไฟออกมาเราบริโภคอาหารด้วยตัวงตัวราเอก็คือบริโภคดินน้ําลมไฟสีมานี้มันกาะกลุ่มกันได้มันก็เปลี่ยนไปมันก็เคยอยากไปมันไม่เคยพงที่มันไม่ไม่เคยอยู่เท่าเดิมแต่ใจมันต้องการให้ล่างการเป็นไปตามใจหวังของมันไม่อยากให้แก่ไม่ให้เจ็บทั้งที่มันจะต้องเจ็บถ้าะมันขัดตรงนั้นมันยอดตรงนี้เป็นโรคตับโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งสารพัด มันจะมารวมล้อมอัตภาพร่างกายคือกองทุกข์เพราะฉะนั้นท่านจริงว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาการอุปาทาในขันธ์ทั้งห้านี่แหละคือกองทุกข์เรามาพิจารณารูปธรรมของเราพิจารณานามธรรมของเราแท้ที่จริงเราพิจารณาขันธ์ทั้ง5้าเราพิจารณาเพื่อปล o n เพื่อปล่อยเพื่อวางเราไม่ได้พิจารณาเพื่อยึดเรามาพิจารณาดูอนิยสัจทั้งสเรายึดไม่ได้สักอย่างยึดได้อย่างเดียวคือมั ทุกเรื่อเราข ย, ยุดไม่ได้มีไว้สชาติให้เราพิจารณาสมุทัยยิ่งยิตไม่ได้สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัำหานั่นเองตารมาชันหาเพราะว่าตำหาวิเพราะว่าตำหาในการปฏิบัตินั้นเราไม่ต้องไปแยกการมาชันหาเพราะว่าตำหนาวิเพว่าตำหาเราดูไปที่ความอยากดูไปที่ความอยากแล้วมันจะรู้มันจะเข้าใจไปเองอมันจะแยกของมันเองมันจะเข้าใจเองว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำ เขายไม่ได้สมุทัยยึดไม่ได้นิโรธเราก็ยึดไม่ได้นี่ก็คือผลที่เราตั้งใจปฏิบัติไม่แต่สมาธิเราก็ยึดไม่ได้ตั้งใจยึ ด, ยดอา่าววันดีคืนดีอา่าวเสื่อมช่แล้วมีความรู้มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนั้น <c oughs> เห็นอย่างนี้แจ่มแจ้งอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันยังไม่ใช่ปัญญาญาณมันยังไม่คงที่ยึดไม่ได้อะไรยึดไม่ได้นิโรธเราก็ยึดไม่ได้ แมต่คุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ยังไม่คงที่ยังไม่ถึงที่วิมุตติผลพ้นอย่างแท้จริงยึดอะไรไม่ได้สักอย่างพอพ้นนั้นไปแล้วหมดความยึดกันปล่อยกันยึดได้อย่างเดียวคือมรรคเท่านั้นเองยึดสิ่อย่างยิ่งวิยตดสมาธิอย่างยิ่งยึดปัญญาอย่างยิ่งการชยิตมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเช่นยึดตายยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณ ยึดยึดเกี่ยวกับเรื่องตายเราเนาะมาที่มหาสิปบฐานนะยึดเกี่ยวกับเรื่องของเวทนายึดเกี่ยวกับเรื่องของจิตยึดเกี่ยวกับเรื่องธรรมคำว่าธรรมธรรมธรรมในมหาสิปบฐานที่ท่านพูดเอาไว้นั้นก็คือธรรมารมธรรมอย่างหนึ่งเป็นประเภทธรรมารมธรรมอย่างหนึ่งก็ประเภทธรรมที่เกิดผลปรากฏขึ้นเช่นอย่างสมาธิสมาบัติหรือปัญญา ได้ภูมิชั้นแต่ยังไม่จบชื่อนี่ก็ถือว่าเป็นมิโรดอันนี้เราถือเป็นผลรายไ ด, ได้เรายึบไม่ได้เรายิดได้แต่เหตุทั้งตั้ ง, ตงกตั้งใจทำแต่เหตุเท่านั้นเองเราพิจารณากายเรากาหนดดูกายตามหลักของอริยสัจทั้งสเพราะฉะนั้นอริยสัจทั้งสีที่พระพุทธเจ้าท่านมาสงค์ค้นคว้าค้นพบเนี่ย อ, อุทกกระดาบบอาริยกะดาษแบบไม่เคยสอนท่านเพราะบุญญาบารมีของท่าน มาดบนใจให้พระองค์เนี่ยสอกไปสอกมาสอกมาสอกไปถูไปถูมาถูมาถูไปเป็นตะปะทำแผ่เผาไปแผ่เผามาแผ่เผามาแผ่ต่อไปเข้าลักษณะของเหตุของผลทุกสมุทัยนิโรธมรรเป็นเรื่องของเหตุกับผลเหตุอันหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกเหตุอันหนึ่เหตุอันหนึ่งเป็นเหตุเพื่อละทุกเหตุเพื่อละทุกนั่นคือมรรคอันนี้เรายึดได้ยึดได้เต็มร้อยยึดได้เต็มที่ เหตุอ่งเรายึดได้เราตั้งใจทําเหตุอันหนึ่งเพื่อละทุกข์เราตั้งใจเหตุอันหนึ่งเป็นเหตุเราเกิดความทุกข์คือตัณหานั่นเองเป็นเหตุให้ให้ให้เราเกิดทุกข์เราจะได้ขันขันหากระตามบางประเภทขันหนึ่งบางประเภทขันสี่เนี้ยขันแบบไหนก็ตามถือว่าจะต้องจะต้องไปมีพบชาติ ที่จะต้องไปอุบัติไปอุบัติเช่นไหนก็คือกองทุกกองทุกอันนี้มือไว้สำหรับดูเช่นอย่างเราพิจารณาร่างกายร่างกายของเรานี่แหละเป็นกองทุกเราพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอยา่ยางแต่ละอยา่างนี้แหละคือกองทุกจบแล้วคือรูประปะธรรมกับนามธรรมาอันนี้เป็นกองทุกเพราะฉะนั้นเราตั้งใจมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นการกําหนดดูทุก หลวตาท่านบอกว่าให้กําหนดรูทุกแล้วก็ย้อนมาดูตัวสมุทัยสมุทัยก็คือตันหามันเกิดมันเกิดที่จิตสมุทัยมันเกิดมันเกิดที่จิตสมุทัยไม่ใช่กายกายเป็นผลของสมุทัยกายเป็นผลของตันหามกายเวทนากายกายรูปเวทนาสัญญาสังขารจินยานเป็นผลของสมุทัยเป็นผลของสมุทัยเพื่อนะ ท่านจีให้กำหนดทุกแล้วก็ย้อนไปดูสมุทัยดูที่กิตการที่เราตั้งใจปฏิบัติถึงจิตอันนี้เราจะเห็นความเกิดดับของตัณหาได้ตัณหามันเกิดดับตัณหามันเกิดเกิดที่รูปดับที่รูปเกิดที่เสียงดับที่เสียงที่กลิ่นเกิดที่รสเกิดในอายตนะขั้ง6เนี่ยเกิดกับอะไรมันก็ดับจากนั้นเกิดตรงไหนก็ดับจากนั้นแต่มันเกิดที่ใจตราบใดที่ใจไปยึดเข้า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 โดยที่เราไม่รู้เหมือนอย่างเราไปหลงทําความชั่วยอย่างไดอย่างหนึ่งเขาพาะทําไม่รู้ทําแล้วถึงรู้อ๋อทุกข์มัดคอเสียแล้วเหมือนปลามันไม่รู้ว่าโอ้ไอเหยื่อนี้มีเด็ดเกาะ อ, อยู่มันไม่รู้เห็นได้เหยือย่อเยอะมันก็งักอ่าเด็ดกเกาะเสียแล้วนี่คือมันจิตโดยอัตโนมัติของมันเรามาดูอวิชาปฏจจบันสดๆตอนๆในหัวใจของเราอโดยเฉพาะตัญหานี่มันส่งมาเป็นละอกเป็นละลอก เช่นอย่างตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกเป็นวิญญาณนะเป็นผัสศักเกิดความรู้สึกเอ็นของการรู้สึกคือสุขทุกขอุเบกขาคือเวทนานั่นแหละอันนี้เป็นเอ็นของความรู้สึกถ้าตัณหามันอยู่ในหัวใจของเราเกิดเวทนะพักมันก็ยินดีสิ่งที่ดีมันก็ควรจะยินดีสิ่งที่ ไม่ดีมันก็ใจยินร้ายสิ่งที่ชอบใจมันก็ยินดีสิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็ยินร้ายแต่ถ้าเราตั้งใจเจริญสติดำรงสติมั่นคงเต็มแปร่ร่ำอยเฉพาะหน้าเวทนาท่านก็ว่าจักเทวเวทนาดูให้เห็นจักเทวเวทนาและกัดักจับเทวเวทนาและกันดักสมมุติตันหามันเกิดปั๊บมันเกิดปั๊บเรารู้ทันก็ดับเกิดจากเวทนานี่แหละเวทนาก็คือรู้ว่ามันดีรู้ว่ามันไม่ดี ร, รู้ว่าดีมันยึดรู้ว่าไม่ดีมันยึดอุเบกขามันก็ยังยึดอีกอ่าเพราะมันยังเป็นกอสังขารอยู่มันก็ยังต้องยึดอยู่ด้วยเหตุที่มันยึดเหล่านี้เองและเป็นเหตุให้เรามีอุ ป, ปาทานมันยึดทีไรเมื่อไหรนะ่นั้นตัณหาแทรกเข้เาขมาที่หัวใจของเราแล้วยึดเข้ามาทีไรเมื่อไหร่ตัณหาแทรกเข้ามาแล้วเราดูในขณะที่เรานั่งแบบนี้เรานั่งนานเรานั่งเราหน้าเกียรติเรานั่งกลัว ที่ครั้เราอาจจะไม่อยู่กับพุทโธเพราะมันปวดมากปวดท้นโพกปวดหัวเข่าปวดหลังปวดคอปวดไหล่ปวดตรงไหนปวดจนเลืออดเลื้อนทนเลืออัดเลื้อนรั้นถ้าหากเราพุทโธพุทโธเราเจ็บมาปวดมากๆเราก็มาอยู่กับเวทนาก็ได้ในระหว่างที่เราอยู่กับพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันเป็นเรื่องของตายเราตามดูพิจารณามันเป็นการ ตามดูพิจารณาของทุกเป็นกายานุปัชนาพระธรรมรธรรมะตัณหามันรุนแรงในหัวใจของเราเรามาพิจารณาเรื่องของของเวทนากลายเป็นกลายเป็ น, ปาปนตามรู้เวทนาตามรู้เวทนาเอาอะไรตามรู้เอาจิตของเรานี่แหละซึ่งเต็มไปด้วยสติเต็มไปด้วยสมาธิเต็มไปด้วยปัญญาเนตามรู้เวทนา วิทย า, าศาสตร์ใชว่าวิทย า, าจริงถ้าสติของเราโร่อยู่แต่ถ้าสติของเราไม่แข็งแรงพอตันหามัแทรกเข้ามาโอ้ยเราเจ็บโอ้ยเราปวดโอ้ยไรเราโอ้ยเอวเราปวดแล้วทนไม่ไหวแนละ้วต้องพลิกต้องเปลี่ยนแล้วนี่คือมันแทรกเข้ามาแล้วอันนี้คืออะไรคือตันหามันมาบดมาบางังผมมาบดมาบางังปั๊บอวิชามันก็มาครอบแนวหัวใจของเราแเราก็พลิกเราก็เปลี่ยน ทั้งทั้งี่ความเจ็บความปวดนั้นมันเป็นเรื่องของสัจธรรแต่เวลาสัจธรรมปรกากฏแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะทนดูได้ทนพิจารนาได้ตรงนี้ละเอียดนะต้องฝึกเอาไว้ต้องฝึกเอาไว้ต้องศึกษาเอาไว้ต้องอบรมเอาไว้ต้องฝึกเอาไว้อย่างจรงิงจังนะการที่เราตั้งใจนั่งภาวนา น, นานๆเราได้ต่อสู้กับ4วนันนี้มีรถมีชาติการต่อสู้กับเวทนานี้มีรถมีชาติจริงๆมันอยู่กับวงในตรงนี้จริงๆ รู้ว่าตัณหาเกิดพอมันโผลบขึ้นมาปั๊บปทันปั๊บปทันปั๊บปทันตัณหามันก่อตัวไม่ได้มันดับไปเพราะอะไรเพราะสติเรากล้าสมาธิเรากล้าสมาธิกนุนปัญญาปัญญาสมาธิมันก็หนุนปัญญาสติสมาธิปัญญาการที่เราพยายามตั้งสติตั้งสติอย่างเต็มที่เรื่องของสตินั้นมันเป็นเรื่องจำเป็น เราเจริญสมถะเรับต้องอาศัยสติต้องหตั้งสติให้อยู่เร่ำตลอดสติก็คือความรู้ตัวสติคือความโพรงตัวสติคือการตื่นรู้เฉพาะหน้าของเราเนี่ยเราพยายามฝึกแล้วเราจะรู้เราจะเห็นเราจะจับได้ถ้าสติเราดีสมาธิเราก็ดีสมาธิเราดีสติเราก็ดี ถ้าสติเราไม่ดีสมาธิเราก็ไม่ดีปัญญาเราก็ไม่ดีเจริญไปเจริญใจเจริญไปถ้าสติเราไม่ดีอาวตัญหาแทรกเข้ามาใชแล้วเจริญไปเจริญไปเจริญไปตัณหาแทรกเข้ามาใชแล้วที่ครูบาจารให้เราทําสมถะด้วยแล้วทํำวิปัสสนาด้วยสลับกันไปนั้นจึงเป็นการถูกต้องเพราะการทําสมถะนั้นมันเป็นการสะสมพลังอุมาทิจิตของเราเหมือนอย่างที่พวกเราทราบพลังจิตตานภาพพลังจิตตามภาพ แต่พลังกิตตานภาพถ้าเราไปดูให้นอกนอกกรอบนอกเขตของงานก็ここเป็นเร่องเราเสียหายเหมือนกันติสมาธิบ้างติดฤทธิติเดชติตอภิญญาติอายตอะไรอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องติดทางแล้วแต่ถ้ามีโดยลําพังเหมือนอย่างหลวงปู่มั่นท่านมีนัแต่แล้วท่านก็ไม่ทิ้งสมาธิท่านท่านก็ไม่ทิ้งสติท่านก็ไม่ทิ้งสามัญญาท่านไม่ทิ้งปัญญา กลายเป็นสิวนั้นหนุนปัญญาขึ้นมาอนุภาพใดๆจะเท่าอนุภาพของสติของสมาธิของปัญญาที่จะมาต่ อ, อกรกันกับกิเลสกิเลสทั้งหลายให้ร้ายให้ทุกข์ให้โทษกับเราเป็นเหตุให้เราเก็ดเป็นเหตุให้พวกเราหลาบเป็นเหตุให้พวเราต้องต่อสู้ยิ่งรนขวนขวายทําไมเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายกี่เพราะกี่ชาติไม่หลุดไม่หยุ ด, ยดเพราะเราไม่เคยยอมมาดูตรงนี้ถ้าเรายอมมาดู ที่พุทธเจ้าท่านสอนที่เป็นหลักคําสอนชั้นเยี่ยมเป็นปรัชญาชั้นเยี่ยมที่เราควรได้ยินได้ฟังควรศึกควรสอนให้กับตัวเองแต่ถ้ารับปล่อยให้หลุดมาหลุดมีไปจะเรื่องที่หน้าเสียดายมากจะเรื่องที่หน้าเสียดายแล้วเกินเหมือนกับว่าเราเกิดมาพบสิ่งที่ประเสริฐเลิศโลอ ก, ล อ, กอัศจริย์อยู่แล้วแต่กลับเราไม่สนใจกลเราไม่สนใจการที่เรามสรามสนใจเรื่องเหล่านี้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 มีภาวนาจึงทําให้เราเป็นไปในวัตฏะสงสารได้สุบสบายขอให้เราปูพื้นฐานไว้ตรงนี้ตั้งใจเจริญสมาธิให้ยิ่งเข้าไปมีมีความสงบพอประมาณก็เรามาพิจารณาพิจารณาถึงกองสังขารที่เป็นไฟ ล, ลักณ์นี้เองเพื่อเห็นอ น, นิจังให้เห็นทุกขงังเห็นอนัตตาให้เห็ น, น, าา ใ, หหนให้เห็นอํนนานาจของตัญหาที่มันโผล่มายึดว่าเป็นราว่าเป็นของของเรา มันโผล่ขึ้นมาชีอะไรเมื่อไรอักตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมารัพยากดูตัวนี้เห็นให้เข้าใจถ้าเราปล่อยให้มันโผล่ขึ้นมาชีอะไรเมื่อไรเนี่ยการถือเนื้อถือตัวตาก 88, Alles, ารทะเลาะเบาแวงอะไรอะไรก็มันไปหยักตัวนี้เท่านั้นจะพผู้ที่เจ้าร่าสอนสอนถึงอน้นมึงที่ทําให้เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เราเข้าใจที่ไปที่มาของตายของเราที่ไปที่มาของจิตของเราที่ไปที่มาของตัณหา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 ที่เป็นอุดมมงคลที่เป็นสติที่เป็นมมงโมลคซึ่งพวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่อุดมยานโมลีเป็นทั้งลูกเป็นทั้งหลานเป็นทั้งเลนของหลวงปู่หลวงปู่ท่านมีอายุวัฒนะมงคลหนึ่งร้อยห้าปีโอ้หนึ่งร้อยห้าปีอายุเกินร้อยไปถึงห้าปี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 ในสุดเราก็มอบหมายให้กับธรรมะคืออนิจจังที่ครั้งอนัตตามันก็มีอยู่ยางนี้เป็นอยู่อย่างนี้ราดพวกเราบางคนก็มาเกิดมาเกิดมาเกิดเกิดที่แรกมาเกี่ยวข้อ ง, งแต่เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่มาเรียนหนังสือมาจบมาทํางานมาอะไรอะไรเห็นท่านมาโดนตลอดเนี้ยเราดูมีอะไรสักอย่างของที่ไหมไม่มีก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือความสุขกับความทุกข์ความสุขกับความทุกข์ถ้าเราไม่สนใจเรื่องเหล่านี้ จะทําให้เราไม่มีที่ยึดไม่มีที่เกาะเราทิ้งสินไม่ได้เราทิ้งทำไม่ได้ถ้าเราทิ้งสินทีไรถ้าเราทิ้งทำทีไรเมื่อไหร่ลืมตัวลืมตัวลืมสินลืมทำลืมสินลืมทำลืมตัวลืมตัวทีไรเมื่อไหร่อัดตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาไม่รู้จักภาวะของตัวเองคืออะไรเป็นอะไรไม่รู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะผิดสินผิดทำก้าวร่วงละเมิดข้อหนักข้อเบา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 ถือเป็นปันที่เป็นอรมสริมงคลตั้งใจกันมาบวชเนธรรมะทราพาตั้ง 600-700 ท่านโอ้สาธุตั้งอกตั้งใจมาฝึกฝนมาอบรมถ้าโลกของเราเต็มแปรไปด้วยพุทธบริษัทที่ตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมตั้งใจปฏิบัติอยู่อย่างนี้ทุกย่อมของสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขจะอยู่เย็นเป็นสุข รู้ที่เจ้าตามที่พวกเราได้ยินถือว่าพระองค์ก็ฝากพระพุทธศาสนาไว้ห 5,000 ันปีห้าพันปีถ้าเราตั้ง อ, อกตั้งใจทำอยู่อย่างนี้ยจะว่าแต่ 5,000 ปีห 0,000 ื่ปีห้าแสนปีก็ยังได้เพราะพระพุทธศาสนานั้นคือหลักสักดิ์ธรรมตราบใดที่พวกเราไม่ยึดไม่ถือมาเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติสักดิ์ธรรมเหล่านั้นก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนตราบใดช่วงใดกาลใดสมัยใดจักใดมีผู้รู้ท่านมาขุดมาค้น ม, ม, มาเจอ ถ้าอามาบอกมาสอนสัตย์จะทำเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกทำให้เราได้มาฝึกฝนอบรมทำให้เรารู้สึกตื่นเนื้อตื่นตัวจะว่าจะห้า0ันปีเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีก็สามารถทาได้พระพุทธศาสนาของเราเป็นพระศาสนาที่มีมานมนานเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะชาวพุทธบางท่านอาจจะชิมชาก็ได้แลลืม ลืมความสําคัญของศีลลืมความสําคัญของศีลไม่เคยตั้งออกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจขาดตั้งใจได้บ้างขาดบ้างได้บ้างขาดบ้างแต่เรื่องการให้ทานนั้นพวกเราทรั่วถึง Geez กันหมดเรื่องการให้ทานให้มาตั้งแต่เด็กเล็กนู้นตั้งแต่ปล่อยปล่อยยังไม่เป็นอนนัลูกปล่อ ย, ล, ล, อย ล, ulator, ลูกปล่อยลูกปล่อยใส่บาตรลูกปล่อยลูกรู <Deadpool> ้แต่จับไม่รู<ไ sig i bar>้จับปล่อยใส่บาตรถวายของครูบาอาจารย์นู้นเด็ก ถ้าตั้งแต่ยังไม่ลืมตาน่ยพวกเรามีโอกาสถึงขนาดนี้นะพวกเราชาวพุทธจะพอโตมาโตมาบางทีก็ลืมศีลบางทีก็ลืมนรามบุงทีกไปเกี่ยวข้องไปน้มเอียงไปอะไรต่อะไรก็ทําให้เราออกนอกลูก่นอกทางออกนอกลูก่นอกทา ง, งทั้งทั้งที่เรามีสิ่งที่เป็นคุณสมบัติอันเลิศที่สุดในโลกทหารเราพวกเราภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิการหรือไมช่ชีอุบาสกอุบาสกอุบาสิกา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 ต่อให้มีคนเอาเรืกมาเรื่อเธอถ้าหากเธอยัโกรธเขาอยู่ไม่เชื่อว่าลูกศิษย์ของเราไม่เชื่อว่าลูกศิษย์ของเราเราเจะทำได้ไมไหมทําได้ไมหมลูกศิษยเจ้าไหมเราตั้งใจฝึกฝนอบลงอย่างนี้อันนี้คือคุณธรรมชั้นเยี่ยมพวกเราตั้งออกตั้งใจฝึกฝนอบลมเพื่อที่จะทีไปให้พ้นพบ พ, พ, พ้นชาติที่ทุกตันดาลอยู่อโอคะโอกแองแตกงตันดาลคืออ น, นิจจัทุกขออ์อนัตตา เกิแก่เจ็บตายเกิแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้อย่างไม่จบไม่สิ้นถ้าเราทิ้งตรงนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นหวังว่าพวกเราได้ข้อคิดข้ออ่านจากการที่เราประรลบทำสูค่คงฟางมาเขาน่าจะพอสมควรเก็เวลาขอให้พวกเราทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจเสียสละด้วยรัพย์ด้วยสติด้วยตัญญามาขวนขวายมาจากนุนบูชาหลวงปู่มาทานี้บูชาหลวงปู่มาตั้งโรงทาน เพื่อบริจาคทานเพื่อช่วยจับช่วยสรรให้งานของครูบาจารย์รวมทั้งครูบาอจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ท่านอตั้งใจจะทํางานเหล่านี้แต่ละปีแต่ละปีะปโดยเฉพาะอย่างวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่แปดมีวันที่เก้าแล้วก็มีวันที่10บอีกโอ้พวกเราทั้ง6กตั้งใจให้เตรียมที่3วันคือว่าเป็นการมาสร้างสมุญยาประนีประนอตัวเองอ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ย่อมมีบุญมีอนิสงส์ให้เราประสบความสุดความเจริญขอให้อานิสงส์ส่วนนี้